ทบทวนข้อความในปฏิสัมพิธามรักนะเนตอนบ่ายนี้เรามาต่อปฏิสัมพิธามรักที่เคยเรียนต่อๆกันมาแล้วเกือบปีเอ่อสองเดือนเรียนครั้งหนึ่งก็คิว่าเกือบปีแล้วปฏิสัมพิธามรักนั้นมีหัวข้อเรื่องใหญ่ๆอยู่ทั้งหมดสามสิบเรื่องวร์ละสิบเรื่องเรื่องที่หนึ่งนั้นว่าด้วย เรื่องยานะกะถาเรื่องยานี้ก็แบ่งยานะออกเป็นเจ็ดสิบสามยานะยานะหกข้อสุดท้ายเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนหกสิบเจ็ดที่เหลือนี้เป็นสาธารณะกับภาษาวกทั่วไปมีได้ตามสมควรแก่ความสามารถในยานะเจ็ดสิบสามนั้นยานะที่หนึ่งชื่อว่าสุตตามา ย, ายานที่สองสีลามายายาน อย่างที่สามก็สมาธิภาวนามยยะยานเป็นต้นอยาน่าณแรกที่ชื่อว่าสุตตามะยะยานนี้แบ่งแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด16หัวข้อนะไหม16หัวข้อในแต่และหัวข้อก็ขยายออกไปปีกเป็นพันบทมันก็ค่อยๆศึกษาปไปไแต่ว่าอายุมันไม่คลอยด้วยทีเนาะในตรงนี้อที่มันลำบากใจเนี่ย ศึกษาพระธรรมนี่รีบแต่เวลานี้มันมนาฬิกาก็เดินเอาเดินเอาเนีนะ่ะเดี๋ยวก็เช้าสายบ่ายค่ำเช้าสายบ่ายค่ำไม่รอเลย น, นะนันวันนี้ก็เจอคนหนุ่มคนสาวที่สุดพรุ่งนี้ก็แก่ไววันนี้อีกถ้ามันอย่างนี้แหละเคลือบคลานไปเรื่อยไปสู่ชราและมรณะกันอันย้อนกลับมาเรื่องยานะเนี่ยนะในสิบหกหัวข้อของสุตตมยญาณหัวข้อที่หนึ่งชื่อว่าอภิน ย, ยนิเทศ อภินญญยาธรรมทรรมที่ควรรู้ยิ่งคาที่ควรรู้ยิ่งนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญาส่วนธรรมะที่เหลือจากนั้นก็รู้ยิ่งตามสมควรแก่ความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมของบทนั้นๆคาว่าที่รู้ด้วยยาตะปริญญานั้นเน้นหัวข้อธรรมหนึ่งถึงธรรมสิบแล้วก็ธรรมะสามสิบ ที่ไหลมาแต่ละทวารเช่นจกักขูรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจักขูวิญญาณควรรู้ยิ่งภาษะเวทนาควรรู้ยิ่งพวกนี้เน้นไปที่ยาตะปริญญานไหมทำหนึ่งสเพสตาหาลัทธิการไล่ไปเป็นต้นที่ยกข้อความมาจากทศตรสูตรทั้งสิบหัวข้อเหล่านั้นท่านก็เน้นยาตะปริญญาส่วนหัวข้อทำที่เหลือหัวข้อทำที่เหลื อ, ห, อ, ห, ลอหลังจากนั้นเนี่ย คำว่าควรรู้ยิ่งก็รู้ยิ่งตามความรู้ตามความสามารถเนี่ยนะนะนะตามสติตามกำลังตามหัวข้อนั้นๆที่ได้มาขึ้นปริญ ญ, ญานิเทศปริญญาธรรมทาที่ควรกำหนดรู้ทาที่ควรกำหนดรู้นั้นก็เหมือนกันหัวข้อทำหนึ่งถึงทำสิบหัวข้อหมวดหนึ่งถึงหมวดสิบควรกำหนดรู้ด้วยตีรณ ะ, ะปริญญา ธรรมะสาบที่เกิดตามทวารทั้งหกทวารทวารละห้าเช่นจะควรกําหนดรู้รูปควรกําหนดรู้จะกำหูวิญญาณภาษะเวทนาควรกําหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ก็เป็นตีรณปริญญาส่วนหลังจากนั้นเนี่ยคำว่าปริญญานั้นกว้างคําว่าปริญญานั้นบางทีหมายถึงโดยกิจบางทีนั้นหมายถึงโดยการบรรลุโดยการเข้าถึงจริงๆ ซึ่งเราค่อยๆศึกษากำหนดแยกแยะทีละบททีละบทไปส่วนหัวข้อทมที่ควรกำหนดรู้ด้วยตีระนปริญญาทำหนึ่งควรกำหนดรู้คืออะไรภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะก็คือโลกิยาภาษาทุกชนิดเนี่ย น, นะทำนี้ควรเอามากำหนดรู้เพราะว่าผู้ที่รู้จักภาษาจริงจะต้องรู้วัตถุภวานและวัตถุวิญญาณ อารมณ์วัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยจะต้องเข้าใจเป็นอย่างดีจึงจะเข้าใจคําว่าผัสสะนั้นผัสสะที่เกิดในทวารทั้งหกมีจกักขรสัมผัสเป็นต้น น, นะถ้ากําหนดรู้ผัสสะดีเนี่ยนะถ้าด้วยอภินด้วยอภินยญายธรรมหรือด้วยยาตะปริญญาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเป็นต้นนี้ก็เอาผัสสะเหล่านั้นมาไข้ค ร, ครวญโดยความเป็นของ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหูฟีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนนะะเอามาไคร้ควรพิจารณาว่าภาษะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะเป็นต้นส่วนทมสองที่ควรกาหนดรู้คือนามรูปเนี่ยนะนามรูปเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้ ด้วยปริญญาด้วยตีรณะปริญญาเนี่ยนะตีรณะปริญญาก็รู้อยู่แล้วว่าโดยอหัวข้อเท่าไหร่นะสี่สิบสองใช่ไหมสี่สิบสองในปฏิสมัมพัทธ์มักท่านจะกล่าวเหมือนกันแต่ในกล่าวโน้นวิปัสสนากถาเป็นต้นอยู่ท้ายๆเล่มนะไอ 42, นะ้สี่สิบสองเนี่ยอันนี้จะโตทุกขโตโรขโตเดี๋ยวจะต้องเป็นเล่มต่อจากเล่มนี้นะเล่มนี้เล่มหกสิแปดใช่ไหมที่เล่มหกสิบก้าจะมี ส่วนทำสามที่ควรกําหนดรู้คือเวทนาสามเห็นไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุก ข, ขมสุขเวทนาก็ยังไงยังไงก็กําหนดตามพุทธพจน์ก็ง่ายดีเนาะพุทธพจน์ที่ไหนทีฆนัขนขาสูตรนั่นแหละใช่ไหมก็สุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความ เสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันเวลาดีใจมีความสุขก็พิจารณาเถวว่าความสุขเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการ<ๆ>เกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาๆๆเสื่อมไปค <ๆ S 1> ลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทีนี้เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เหมือนกันหรืออุเบกขาเวทนาก็เกิดขึ้นก็เหมือนกันก็พิจารณาโดยนัยเดียวกัน เวทนานี้เมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่วัตถุวิญญาณและอารมณ์ก็เอาวัตถุวิญญาณอารมณ์ทุกอย่างที่เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาที่เป็นทวารแห่งเวทนาที่เป็นอารมณ์แห่งเวทนาทมที่สัมปยุตกับเวทนาเอามาพิจารณาในยะเดียวกันการพิจารณาตามนั้นได้เรียกว่าติระณปริญญาส่วนธรรมสี่ที่ควรกาหนดรู้คืออาหารสี่ ถ้าพูดอาหารสี่กับพูดสติปัฏฐานสี่ต่างกันหรือไม่ต่างกันตรงที่ว่าตัวสติปัฏฐานเนี่ยเป็นพาเวตปรธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญตัวสติปัฏฐานนะเพราะเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญส่วนอาหารสี่นั้นเป็นปริญญ ย, ยธรรมธรรมที่ควรกําหนดรู้ดังนั้นใครที่เจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็เท่ากับกําหนดรู้กับผลิงกระหาน ใครที่จเจริญเวทนานุปัสนาสติปท า, านก็ชื่อว่ากําหนดรู้ผัสสาหารใครที่เจ ร, ริญธรรมานุปัสนาสติปทานก็ชื่อว่ากําหนดรู้มโนสัญเจตนาหารใครที่กําหนดรู้ใครที่เจริญจิตานุปัสนาก็ชื่อว่ากําหนดรู้วิญญาณอาหารท่านตัวสติปฐานสี่เป็นธรรมที่ควรเจริญตัวอาหารสี่เป็นธรรมที่ควกรกําหนดรู้ควรรอบรู้ควทรทําปริญญาบรนทาก แล้วแต่ว่าถ้าพูดสิ่งหนึ่งก็เท่ากับหมายถึงอีกสิ่งหนึ่งเหมือนว่าถ้าพูดถึงสีก็หมายถึงว่าพูดถึงการเห็นอยู่แล้วใช่ไหมัพราะถ้าไม่เห็นจะรู้ว่าสีได้ยังไงใช่ไหมถ้าพูดถึงเสียงก็หมายถึงการได้ยินอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะคนที่กำหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้ชื่อว่าได้เจเริญสิ่งที่ควรเจริญด้วย ถ้าเจริญในสิ่งที่ควรเจริญชื่อว่ากําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ด้วยต่อไปทำห้าที่ควรกําหนดรู้คืออะไรอุปาทานขันห้ารูเปเบทนาสัญญาสังขารและเวีย ญ, ญาณทำเหล่านี้ก็ควรกําหนดรู้กําหนดรู้ยังไงเมื่อเช้าสวดว่าไงนะเพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองเจิงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ ย, ยังทรงพระชนอยู่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 หือเอกในหนึ่งบอกรูปไม่ใช่อัตตาเวทนามิใช่อัตตาสัญญามิใช่อัตตาสังขารมิใช่อัตตาวิญญาณมิใช่อัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงมิใช่อัตตาไม่ยากนาะแต่ว่าไม่เจริญนี่สิมันแปลกใจยังไงอุ้ยตอนฟังเข้าใจหมดแล้วพอลุกปั๊บหายหมดอย่างไงญาหน้าตักหรือไงก็ไม่ทราบนะก็เข้าใจนะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจก็ะมาไม่เที่ยงหรอกว่าโยมไม่เข้าใจ เชื่ออยู่แล้วว่าเข้าใจแต่ว่าไอ้ตรงที่ไม่เจริญเนี่ยเธอไอ้ตรงนี้เนียังทำไงไอ้เราพูดไม่ดีหรือว่ายังไงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะก็ไปสงสัยอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเราพูดไม่ชัดเจนหรือว่าเอ๊ะมันต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยหรือมันต้องทํำยังไงเนาะคิดมากเดี๋ยวจะเหน่อยต่อไปทำหกที่ควรกําหนดรู้คืออะไรภาษาอัอายตนะภายในหกนะ ตาหู anut, จมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้กําหนดว่าไงนะกําหนดรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกนั่นแหละนะกําหนดรู้ว่าตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ถ้ากําหนดรู้มากๆทําปริญญามากๆก็จะรู้จักบ้านร้างบ้านร้างเรือนว่างเอาไว้ให้โจรมาปล้นๆๆเวลาลืมตาเห็นก็ปล้นเอาบุญไปหมดเนี้ดปกติบุญก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ก็เลยพอมองเห็นสีที่น่าปราถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างก็อกุศลก็เกิดเหมือนกับโจรปล้นไม่ปล้นอย่างเดียวที่มันเผาด้วยอ่นะ ก็ไฟคือโทราคะก็เผาไฟคือโทสา ก, ก็าเผาไฟคือโมหะ ก, ก็เผาทัานถูกปล้นด้วยถูกเผาด้วยก็เลยหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนะหมดแม้กระทั่งเนี่ยก็เหลือแต่สังเกตดูนะในอบายเนี่ยนะมันแทบจะเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวจริงๆเลยสัตว์บางตัวไม่มีแม้กระทั่งเครื่องนุ่งหมใช่ไหมไม่มีอะไรเลยหมดตัวจริงๆอย่างไส้เดือ น, นยังไงไม่มีอะไรเหลือเลยมีอะไรบ้างมียางเหนียวใช่ไหม บางตัวก็ยังเหลือขนบ้างไงขนเต้ไปหมดเลยบางตัวนี่ขนก็จะไม่เหลือเตี้ยนหมดเลยหมดทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยหมดตัวจริงๆนะถ้ากุศลมันปล้นเนะี่ยเลปล้นถ้าจนตาก็กลายเป็นตาพิการไปเลยก็มีสัตว์บางตัวนี่ไส้เดือนมีตาไหมไม่มีนาะสัตว์ตั้งหลายประเภทเนี่ยนะถูกปล้นจนไม่เหลือแม้กระทั่งตานะถูกปล้นด้วยถูกเผาด้วยไม่มีตาเลยสัตว์บางพวกถูกปล้นด้วยถูกเผาด้วยจนไม่มีหูเลย บางพวกถูกปล้นจนไม่มีจมูกเหลือเลยบางพวกก็ไม่เหลือลิ้นเลยเนี่ยเป็นคนหัวขาดก็มีหัวขาดเนี่ยถ้าเป็นเด็กในครรภนะถ้าอยู่ในท้องแม่มีชีวิตได้ไม่มีหัวเลยนะไม่มีหัวมีชีวิตอยู่ได้จนถึงคลอดคลอดมาก็ตายแต่สมัยใหม่เขาไม่ถึงรอให้คลอดร อ, อ, อกนะเขาออกเลยให้ตายเร็วกว่ากําหนดสักอะไรก็ตามสมควรกันแล้วกัน มันก็ถูกปล้นจนไม่เหลือตาหูจมูกลิ้นก็ไม่เหลือบางพวกนี้ปล้นถ้าจนไม่เหลือลิ้นเลยเช่นจระเข้ใช่ไหมจระเข้ไม่มีลิ้นนะเอะถูกปล้นหมดเลยแล้วปากจระเข้เห็นไม่มีลิ้นเนี่ยอย่าไปนึกว่าเขาเขาตัวเดียวนะอุ้ยตามรายฟันตามซอกฟันเนี่ยอะไรจะมีสัตว์เยอะเท่านั้นนีอีกแล้วปากของคนนี้ไม่เคยแปรงฟันก็จระเข้ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้มันไม่ชอบเคี้ยวอะไรเล่นๆด้วยมันเคี้ยวเอาจริงเอาจังไปหมด ทีนี้พอมันไม่ไม่ได้เคี้ยวนี่นะพวกสัตว์ที่เกาะ อ, อยู่ตามฟันตามซอกฟันอะไรจระเข้นี่เยอะมากเนี่ยนะพะผนไคที่ถูกจระเข้กัดนี่ถือว่าอันตรายมากที่แผลมาจากจระเข้กัดเพราะชื่อโรคมันมากจรกิจงๆจระเข้อะไนี่ยมันถูกปล้นจนไม่เหลือลิ้นบางัวก็ถูกปล้นจนไม่เหลือแม้กระทั่งสรีระนี่ก็แทบจะไม่เหลือบิดเบี้ยวไปหมดเลยบางตัวนี่ก็หมดไปครึ่งลำหมดไปครึ่งท่อนตัว ถ้าเป็นฤดูประมาณเดือนตุลาเถวแถวชน บ, บทไย้แห่งปลาเนี่ยนะมันอาจจะถูกสารเคมีถูกอะไรไม่ทราบมันเน่าหมดครึ่งตัวบางตัวเนี่ยจนถึงกลางตัวเลยถือเลือกกลางตัวบางพวกหัวบินไปครึ่งหนึ่งก็ยังว่ายอยู่นั่นแหละ น, น, นะะนั่นก็ผลของการถูกปล้นในทวารต่างๆ บางพวกก็ถูกปล้นซะจนโน่จับเข้าคุกเข้าตารางนะอยู่ในนรกโน่นในเปรตในอสุรกายเพราฟันในทวารแต่ละทวารเหล่านี้ถ้าเราไม่เอามาพิจารณามาเจริญมาใคร่ครวญให้เพียงพอจริงๆเนี่ยนะทกทวารฉุดไปอาบายได้หมดเลยบางคนเนี่ยแพ้บางคนแพ้ทวารตาใช่ไหมพอทวารตาเกิดเนี่ยอกุศลเกิดพั่งครูเข้ามาถ้านั่งหลับตาบ้างพอดี บางคนนี่ก็แพ้ทวารหูเพราะได้ยินเสียงเข้านี่ทำใจไม่ได้เลยบางคนนี่แพ้ทวารจมูกก็แล้วแต่ใครแพ้ทวารไหนแต่ทวารไหนก็ช่างเถอทะที่ไหลผ่านมาก็บาบากุสลทะลักบานออกมาทีนี้อากุสลเหล่านั้นก็ฉุดนำไปเกิดปฏิสนธิวิญญาณเจ็ดกลุ่มด้วยกันใช่ไหมเกิด เป็นร่างกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันร่างกายต่างกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันร่างกายเหมือนกันปฏิสนธิจิตต่างกันร่างกายเหมือนกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันตลอดจนถึงพวกอรูปอารมู ป, ป ร, รมเป็นตน้นมันก็แล้วแต่ว่ามันฉุดไปในที่ใดในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดเหล่านี้ถึงจะเกิดในภพใดภูมิใดเนี่ยนะมันเอาที่โลกธรรมเป็นเครื่องวัดใช่ไม อย่างนรกก็มากไปด้วยอะไรมากไปด้วยทุกมากไปด้วยทุกขโลกธรรมมีแปดนะทำแปดที่ควรกำหนดรู้คือโลกธรรมแปดมันโลกธรรมแปดนี่จะเห็นชัดเจนก็ดูตามพบต่างๆนรกเนี่ยมากไปด้วยทุกอภัสราพรมเนี่ยมากไปด้วยสุขหรืออะไรนะปริตาปริตตาพาพรมปริตตาสุภาอัปมาณสุภาพรมกลุ่มนี้เนี่ยมากไปด้วยความสุข ะมากไปด้วยความสุขอยู่ด้วยความสุขนะสุขไม่ใช่สุขขกายะวิญญาณนะแต่หมายสุขทางมโนทวารถ้าเป็นมนุษย์ล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเนี่ยนะงันพวกบางพวกก็ทั้งสุขทั้งทุกข์สลับพระเคล้ากันไปเปลี่ยนไปทุกสามนาทีก็มีเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ข่าวดีเดี๋ยวก็ข่าวร้ายเดี๋ยวก็ข่าวร้ายเดี๋ยวก็ข่าวดีจะช็อกให้ได้ก็มี เดี๋ยวก็ดีใจจนหัวใจจะทะลักออกมาก็ไม่นั่นก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเนี่ยโลกธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละสุขทุกข์สลับคร่าเคล้ากันไปอีกภาคหนึ่งบอกว่าได้อีกภาคหนึ่งก็บอกว่าเสียสิ่งเดียวกันบอกว่าได้เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ได้อยู่นั่นแหละมันก็ได้นี่เขาเรียกว่าลาบเสียเขาเรียกว่าเสื่อมลาบเงั้นก็ได้ลาบเสื่อมลาบได้นะยศก็เสื่อมยศเป็นยังไง เดี๋ยวก็อยู่แต่เพียงผู้เดียวเดี๋ยวก็เข้าสังคมใช่ไหมเดี๋ยวก็ว้าเวอยู่แต่เพียงผู้เดียวอีกภากหนึ่งก็พวกเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนงานเลี้ยงเนี่พวกเยอะพอเลี้ยงเสร็จก็ไปง่ายอยู่คนเดียวต่อไปอันนเดี๋ยวก็มียศคือยศก็คือพวกนะเดี๋ยวก็มีพวกเยอะเดี๋ยวก็ไม่มีพวกเนี่ยนะเดี๋ยวก็กําร้าพวกอย่างนี้ก็สลับคราเข้ากันไปเพราะว่าโลกกระทำทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าโลกกระทำได้จะให้ดีเนี่ยก็ไล่ทีละทวารทีละทวารอันะ เดี๋ยวบางเล่ากเสื่อมลาภเนี่ยนะการเห็นของบางอย่างถือว่าได้ลาภใช่ไหมการเห็นของบางคนถือว่าเสื่อมลาภการเห็นของบางคนบอกว่านี่ยศนะบางคนก็บอกเห็นเนี่ยเสื่อมยศการเห็นบางอย่างเขาเรียกว่าคําสรรเสริญการเห็นบางอย่างเรียกว่านินทาการเห็นบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ โลกกระทก็หมุนไปตามโลกโลกก็หมุนไปตามโลกกระทำทีนี้โลกกระทำเหล่านี้เนี่ยนะยังมีแม้กระทั่งกับพระอรหันต์ทั้งหลายผู้กำหนดรู้โลกกระทำเสร็จแล้วผู้ทำปริญญาเสร็จแล้วแต่ก็ยังมีโลกกระทำเพราะโลกกระทำเป็นปริญญาธรรมไม่ใช่ธรรมที่ควรละแต่สิ่งที่ต้องละก็คือละอภิชาตต่อโลกกระทฝ่ายดีละโทมนตต่อโลกระทฝ่ายร้าย ละอภิชาในลาบละอภิชาในยศละอภิชาในสรรเสริญละอภิชาในความสุขละโทมนัตในความเสื่อมลาบละโทมนัตในความเสื่อมยศละโทมนัตในคํานินทาแล้วก็ละโทมนัตในความทุกข์เนี่ยนะความทุกข์ท่านก็ละอภิชากับโทมนัตก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเพราะผู้ที่เจริญสติปัฏฐานจะละอภิชาในลาบ ในยศในสรรเสริญและความสุขผู้ที่เจริญสติประถานมากๆก็จะละโทมนัดในเสื่อมลาภเสื่อมยศในนินทาและความทุกข์ทั้งหลายก็จะละอภิชากับโทมนัดได้อย่าลืมว่าโลกธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมที่ที่ควรกำหนดรู้จริงๆนะเป็นธรรมที่ควรทำปริญญาอย่างที่เรานั่งกันอยู่นี่เนี่ยเราก็เชื่อว่ไลาภตั้ง เอาโลกะธรรมวัดดูนะที่เรานั่งนั่งกันอยู่นี่ก็ได้โลกะธรรมหนึ่งได้ลาบใช่ไหมมีหนังสือมีข้าของเครื่องใช้มีอะไรทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าเป็นลาบเนี่ยนะเป็นลาบแล้วเนาะที่เราได้เพื่อนสัพพรมจารีผู้ร่วมศึกษาพระธรรมผู้อะไรเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นลาบเราก็ไม่ได้นั่งเงาเงอยเรียนแต่เพียงผู้เดียวก็ยังมีพวกเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเป็นยศเนีย่ยนะ ใส่คาก็ชมกันนู้ยชมอ่ะคนนี้ดีอย่างนั้นคนนั้นชมกันอย่างนี้พวกนี้ก็เป็นสรรเสริญมานั่งอากาศเย็นสบายเกือบจะหลับได้นั่นแหละอันนี้ก็เป็นความสุขนะเป็นความสุขคนนี้เป็นโลกกระทำฝ่ายดีถ้าโลกกระทำฝ่ายดีมีที่ไหนโลกกระทำร้ายก็อยูใ่ใกล้ๆแถวนั้นน่ะเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็ตรงกันข้ามนะนะนะเพราะโลกกระทำนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกัน เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ถูกปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะเมื่อไม่เที่ยงจากลากก็กลายเป็นเสื่อมลากจากยศก็กลายเป็นเสื่อมยศจากคำพูดชื่นชมอยู่ดีๆกลายเป็นคำด่าจากความสุขดีๆก็กลายเป็นความทุกข์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป พันธะเหล่านี้เนี่ยนะค่าที่เป็นจริงของมันคือไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นแม้กระทั่งความสุขก็ยังไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา <c oughs> ส่วนธรรมก้าที่ควรกำหนดรู้ควรทำปริญญาก็คือสัตววาดก้าถ้าคิดให้ดีๆนะสัตววาานี่หมายถึงภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ก้าประเภท <แ>ก <asthma> ้าประเภทก็อะไรบ้างพวกที mesela, Alan, Madame, ่มีกายต่างกันสัญญาต่างกันก็เช่นพวกมนุษย์เทพบางพวกวินิบาตบางพวกนะพวกวินิบาตคือเปรตบางพวกนะส่วนพวกที่มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันก็เช่นพวกพรหมผู้เกิดด้วยปฐมฌานร่างกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันคือปฐมฌานเหมือนกันส่วนมีกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันก็เช่นอภัสระ พวกมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันก็เช่นพวกสุภกินหะพวกไม่มีสัญญาเลยก็คือพวกอสัญญีสักด์หรือตับกลุ่มต่อไปก็เป็นพวกอากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะในพบเหล่านี้ถ้าเกิดมาแล้วก็มีอะไรชาติชราและ มรณะสัตวานั้นประกาวเน้นมาที่ปฏิสนธิเพราะเมื่อมีการเกิดสิ่งที่ติดตามมาก็คือความแก่และความตายเพราะในสัตว์ทั้งเก้าเนี่ยจะเกิดในภพใดภูมิใดก็ไม่ได้พ้นจากความแก่และความตายที่สุดของการเกิดก็คือความตายดำรงอยู่นานเท่าไหร่เรียกว่าชราแล้วแต่ดำรงอยู่นะดำรงอยู่หนึ่งปีสองปีหรือกี่ปีหรือกี่กับก็ตาม การดำรงอยู่นั่นและเรียกว่าชรามีเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดมันพวกเราที่นั่งกันอยู่นี่เรียกว่าชรากันทั้งนั้นตามสมควรแก่วัยอ่าวัยนี่แปลว่าเสื่อมตามสมควรแก่ความเสื่อมอะนะเสื่อมมากเสื่อมน้อยแต่ว่าเกิดเบื้องต้นเหมือนกันแล้วก็ตายเป็นที่สุดเหมือนกันมันเราก็นักโทษประหารเสมอกันใครจะเป็นรายต่อไปแค่นั้นแั้นแล้วแต่นะเพราะาบางคนก็ถูกทุบก่อนใช่ไม แล้วแต่มันจะเลือกเขาจะเลือกทุบเอานะบางคนถูกทุบที่หัวอย่างเงี้ยบางคนก็เลือกทุบที่เขา่าบางคนก็ถูกบโบยที่หลังอย่างเงี้ยนะบ <im iß> างพวกก็ซัดที่แขนก็เอาไม่ค่อยแน่นอนบางพวกก็จิ้มตาซะก่อนอะไรเงี้นะบางพวกก็ทิ่มไปที่หูบางพวกก็เอาสะฟันรวนหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาตรงไหน <im iß> บางพวกก็เจอถลกหนังก่อนใครก็บางทีก็ถูกเสียบที่คอยอย่างเงี้ย แต่ว่าไปเยี่ยมโยมเมื่อคืนบอกโยมปวดไหมเขาบอกว่าอะไรคือเป็นเป็นโรคปอดปอดเนี่ยนะปอดมันเสียหายเมื่อปอดเสียหายเหลือเหลือปริมาณที่ดีอยู่นิดเดียวเพราะในปอดที่มันเสียไปก็เป็นที่รวมของน้ําคือตรงไหนที่เลือดไม่ไหลเวียนเป็นต้นเนี่ยที่นั้นน้ํามันจะขังอันนี้ก็คือธรรมดาของร่างกายเมื่อน้ํามันขังมากๆเข้ามันก็กลายเป็นคนน้ําท่วมปอด น้ำท่วมปอดมันก็จะหายใจลําบากเนี่ยนะของเราใครเคยสูบน้ําเข้าไปทางปอดบางก็ยังสำลักเลยนะอันนี้น้ํา yeah. เยอะแยะไปหมดเลยจะเป็นยังไงหมอก็ต้องเจาะเอาน้ําออกใส่สายยางเนี่ยให้ไหลออกเนี่ยนะปลายเป็นว่าต้องระบายน้ําออกทีนี้พอระบายไประดับหนึ่งท่อมันก็อุดตันเป็นต้นเนยนะก็ต้องเปลี่ยนท่อใหม่ โยมก็บอกว่าไอ้ตอนเอาออกนี่มันไม่เท่าไหรหรอกมันก็ปวดบ้างนะมันก็ปึ๊ดเดียวก็ออกแล้วใช่ไหมไอตอนเอาเข้านี่สิแย่เข้าไปสัมผัสตั้งแต่ไหนหนังสัมผัสเนื้อสัมผัสเอ็นสัมผัสจนโน่นแหละยัดยัดเข้าไปเนี่ยนะปวดมากเนี่ยนะอ๋อเขาบอกว่าปวดจนสุดซึ้งเลยเหมือนกันอุ้ยนี่อย่างเบ า, าไม่เท่าไรหรอกถ้าเทียบกับนรกเนี่ยนะหรือถ้าเทียบกับพวกเดรชาทั้งหลายเนี่ยนี่ไม่หนักมาสาหัสเท่าไหรนะ คือสัตว์ที่เกิดมาแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อเป็นนักโทษมันแล้วแต่จะเลือกถูกทิมถูกแทงใช่ไหมจะเป็นโบราณหน่อยก็บอกโอ้ยคนนั้นใจจืดใจดํามาเอาห อ, อกมาทิมเอาอะไรมาทิมแต่สมัยนี้กิริยาอาการที่ถูกทิมเหมือนเดิมแต่ว่าเหตุผลในการถูกแทงนั้นต่างกันไปแต่ว่าเป็นนักโทษที่ถูกห อ, อกทิมเหมือนเดิมเนี่ยนะถูกห อ, อกลเลือกถูกทิมบางคนก็ทิมที่คอใช่ไหมทิมทำไมก็เรียกให้อาหารทางสายยาง บางพวกก็ถูกทิ่มที่จมูกเนี่ยนะยัดที่ไปจมูกเข้าไปแย่สายยางลงไปปวดมากยอมก็เล่าว่าปวดมากก็มียอมคนหนึ่งเข้าไปดื่มยาพิษเพื่อจะฆ่าตัวตายนี้มันไม่ตายมันไม่ตายเนี่ยระบบทางเดินอาหารมีปัญหาตลอดกลืนอะไรไม่ได้ก็ต้องให้อาหารทางสายยางให้สายยางก็เสียบไปที่ถวาวรจมูกเนี่ยร้อยน้ำจมูกเข้าไปโอ้ยตอนแทงเนี่ยน้ำตาร่วงไปหมดเลย กระเลินน้าลายก็ก็คือแผล ส, สดดีๆเนี่ยนะเป็นแผลตลอดทางเดินอาหารโดยที่จะเป็นยังไงก็นี่แหละกลายนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งโรคเพราะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นนักโทษก็ไม่รู้ว่าวัดตามจะเล่นงานตรงไหนกรรมในอดีตที่ทํามาเนี่ยนะเราทำำํากรรมกรรมมันก็ไม่ลืมเราเพราะนั้นทำบุญทําบาปมาบุญมีโอกาสบุญก็ให้ผลบาปที่ทําไปเนี่ยมันได้ปัจจัยพร้อมก็เล่นงานก็อยู่อย่างนี้แหละ มันก็กรรมเนี่ยเป็นตัวจําแนกทําให้สัตว์เนี่ยเกิดในภพต่างๆในภูมิต่างๆทั้นผลของการเกิดมันก็มีชราและมรณะนะนชราและมรณะพั้นทุกคนเมื่อกําลังชราอยู่นี้แต่บางพวกหลงลืมไปคิดว่าตัวเองไม่ได้ชราอะไรแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมนาก็เลยลืมพอลืมว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นตายเป็นก็เลยเอาไปทําอะไรถ้าลืมตายแล้วทํำอะไรเอาไปทําบุญเลยใช่ไหม ไม่เนี่ยนะลืมป่วยลืมแก่ลืมตายก็เลยทำบาปบางคนกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็นู่นแหละใกล้ปากมัจจุราชนะแต่ก็บางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวบางพวกตายไปอีกสามชาติก็ยังไม่รู้ตัวเลยก็มีไม่รู้ว่าสังสารวั t มันเป็นยังไงเนี่ยนะพวกนี้ก็ไม่ใช่ศัตรูของตนก็เป็นประดุษศัตรูของตนเนี่ยนะทำตนประดุษศัตรูของตนฮะแต่ความทุกข์ฮแต่ความยากให้แก่แก่ตน ผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นพวกที่สงสารตัวเองนะถว่าไปตรงๆเนี่ยนะเป็นกลุ่มพวกที่สงสารตัวเองแล้วปรารถนาให้ที่จะให้ตัวเองนี่พ้นทุกผู้ที่ปรารถนามรสมผลนิพพานเนี่ยพวกนี้สกัดโสเรียกว่าเห็นแก่ประโยชน์กับของตนเพราะนี่คือประโยชน์ของตนอย่างแท้จริงอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นหัวหน้าท่านเห็นแก่ประโยชน์ตนอันนี้ท่านก็ปฏิบัติเพื่อความ พ้นทุกเมื่อท่านพ้นทุกข์แล้วท่านก็ให้ผู้อื่นพ้นด้วยท่านก็บอกวิธีให้บอกวิธีพิจารณาอย่างนี้นะเอาสัตว์ว่าก้าวมาทำปริญญาแล้วท่านจะพ้นทุกข์เอามาพิจารณาเถอะถึงจะเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นไปกับชาติชราและมรณะหลายพบด้วยกันยังบวกโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเช่นมนุษย์เป็นต้น เดราฉานเป็นต้นก็ยังบวกโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะแล้วก็บวกอย่างอื่นเข้ามาอีกเยอะแยะไปหมดแต่โดยมากก็บวกด้วยราคะโทสะโมหะเร่าร้อนทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะถูกกิเลสเล่นงานครอบงำย่ำยีร่างกายทั้งหลายวิบากและ ก, กรรมมชรูปทั้งหลายเป็นไปกับชรา ม, มรณะเป็นไปกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นไปกับความลําบากความอดอยากหิ้วห้อยสารพัดที่มันจะเกิด ขณะเดียวกันกิเลสภายในก็ย่ายีจิตใจซะจรเพราะเพราะอะไรทําไมกิเลสจึงเล่นงานขนาดนั้นก็เพราะเขาเหล่านั้นขาดมงคลธรรมเขาอัปมงคลอยู่ในตัวเยอะเนี่ยนะเพราะมีอัปมงคลติดตัวนั่นแหละจึงจึงได้รับความทุกข์ตามมาอัปมงคลมีอะไรบ้างก็เขาคบแต่คนพาลเขานี่เป็นศัตรูกับบัณฑิต บูชามิจฉาทิฐิเป็นต้นที่ไม่มีคุณธรรมอะไรขณะเดียวกันก็ไม่อยู่ในปฏิรูปประเทศเนี่ยนะบุญเก่าที่มีอยู่ก็ใช้ให้มันหมดตั้งตั้งจิตเอาไว้ผิดอีกต่างหากเรียกว่ามิจฉาปณิทิเนี่ยนะหูสูตรฟังพระไตรปิฎกก็บอกมันยากเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยไม่ยอมเป็นพหูสูตรเนี่ยการเรียนการท่องการจําอันนะก็ไม่มีก็ ทำลายตัวเองโดยประการต่างๆมีพ่อมีแม่ก็ <c oughs> คนอื่นเข้าไว้กราบไว้ไว้ไว้บูชาเจ้านี่ก็มีไว้ดาเนี่ยนะด่าพ่อด่าแม่พ่อแม่เป็นที่ขูดที่ริดก็เลยไปทำบาปทำกรรมกับพ่อกับแม่พอทำบาปทำกรรมเข้ามีครอบครัวก็ไม่เลี้ยงดูครอบครัวเป็นต้นอันนี้ก็ช่างแต่อปมงคนให้แก่ตัวเองให้ทานก็ไม่ให้กลายเป็นคนทุจริตกรรมอีก หลายเรื่องนี้คนที่มีความทุกข์ในโลกโดยมากสาไปเถอะเกิดจากอัระมงคลซ ะ, ะ, ะส่วนใหญ่แต่ผู้ที่พ้นทุกผู้ที่บรรลุอริยคุณทั้งหลายบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่มีมงคลปฏิบัติตามมงคลผู้ที่ปฏิบัติตามมงคลสมบูรณ์คือผ้ารหารัสส่วนบุคคลที่เหลือก็มีมงคลตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยนะตามสมควรแก่แก่เหตุว่า ง, งั้น ันสรุปทบทวนว่าอสัตว์ว่าทั้งหลายก็คือภพเก้านั่นแหละก็คือที่ที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายในเก้าที่ในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้เต็มไปด้วยชาติชราและมรณะนั่นเองส่วนธรรมสิบที่ควรกาหนดรู้คืออะไรอายตนะสิบนะอายตนะสิบก็คื อ, อ อายตนะคือตาอายตนะคือรูปอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือโพธิภพส่วนมนายตนะกทฐามายตนะที่เป็นอไม่พูดถึงเพราะอะไรเพราะว่าเจือด้วยโลกุตระเพราะว่าธรรมายตนะมนายตนะมีทั้งโลกิยาและ โลกุตระเอาเฉพาะส่วนที่เป็นโลกิยะแล้วก็เน้นเฉพาะรู ป, ปรธรรมอายตนะสิทที่เอามากล่าวนี่เป็นรู ป, ปรธรรมทั้งหมดเลยนะอายตนะคือตาอายตนะคือสีก็เป็นรู ป, ปรธรรมท่านให้กําหนดแท่ตาให้กําหนดแท่สีหรือไม่พูดถึงบ่อกขาบอกว่าไปดูบ่อสิว่าะอายตนะนี้แปลว่าบ่อถ้าใครที่ขุดบ่อน้ําซับนี่จะรู้ดี เพราะมันเป็นที่ไหลของอะไรของสายน้ำตาก็เหมือนกันสีก็เหมือนกันเป็นที่ไหลมาแห่งจิตและเจตสิกนั้นถ้าใครที่รู้จักบ่อคือตาดีรู้จักบ่อคือสีดีจะรู้จักจิตเจตสิกที่โคจรไปตามทวารและอารมณ์เหล่านั้นจะรู้จักภาษะเวทนาสัญญาที่เกิดขึ้นไหลไปตามทวารตา อย่างสีที่เราเห็นเนี่ยไหลจิตชนิดใดไหลทะักออกมาบ้างเมื่อลืมตาขึ้นครั้งหนึ่งจิตประเภทไหนไหลทะักออกมาสีเหล่านั้นสะท้อนให้จิตประเภทใดเกิดขึ้นอย่างเช่นเห็นสีดอกกุหลาบเนี่ยจิตชนิดใดไห ล, ไลออกมานนก็ผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาก็ไหลออกมาผู้ที่มีโลภะก็โลภะก็ไหลออกมาก็สุดแท้แต่ว่าจิตชนิดใดจะไหลออกมา สรุปว่าอายตนะคือตาอายตนะคือสีเป็นที่ไหลมาแห่งความโลภ บ, บ้างไหลมาแห่งโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างไหลมาแห่งอโลภะอโทสะอะโมหะบ้างไหลมาแห่งจักขุทวารวิถีบ้างจิตที่มีสีเป็นอารมณ์มีกี่ดวงเนี่ยนะก็ทพิจารณาไปจะรู้ว่าตากับสีเป็นที่ไหลมาแห่งจิตและเจตสิกเป็นบอ่อเกิดแห่งจิตและเจตสิกจิตเจตสิกเกิดที่ใด ถ้าไม่ทําวิญยติรูปเรียกมนโนกรรมถ้าทําวิญยติรูปทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมถ้าทําวินญญัติรูปออกมาทางกายก็เป็นกายกรรมพันอายตนะคือตาอายตนะคือสีเป็นที่ตั้งแห่งกรรมสามเพราะมันไหลมาทําให้เกิดกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเป็นที่เกิดแห่งเจตนาเป็นต้นอายตนะคือหัวอายตนะคือเสียงก็เหมือนกันเป็นที่ไหลมาแห่งจิตและ เจตสิกเสียงบางเสียงเนี่ยเกิดขึ้นทาให้ไปคิดอยู่สามเดือนไม่จบอย่าง้ใช่ไหไหลออกมาซึ่งจิตตั้งมากมายอะท่านหูกับเสียงเป็นที่ไหลมาแห่งจิตและเจตสิกเป็นที่เกิดแห่งจิตและเจตสิกจมูกกับกลิ่นก็เป็นที่ไหลมาแห่งจิตและเจตสิกลิ้นกับรสก็ไหลมาแห่งจิตและเจตสิกกายกับโพตพภะก็ไหลมาซึ่งจิตเจตสิก นี้จิตเจตสิกเกิดขึ้นมามันก็เป็นไปกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเมื่อตากับสีประชมกันจิตเจตสิกเกิดขึ้นก็สร้างกรรมเพื่อเมียย ต, ตนะต่อไปสร้างกรรมเพื่อให้มีตาจิตเจตสิกที่ไหลทวานหูก็สร้างกรรมเพื่อให้มีหูทวานจมูกทวานลิ้นทวานกายก็เหมือนกันเพื่อให้มีจมูกมีลิ้นมีกายและใจเนี่ยเป็นตัวสร้างแล้วเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจ โลกเป็นโลกที่ไม่เบื่อในการเห็นโดยรวมๆนะ่ารู้สึกพอหรือยังใครนั่งบอกว่าพอแล้วเบื่อแล้วที่จะเห็นขอเถอะการเห็นครั้งนี้กับพิตาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายตลอดไปพอหรือยังยังนะเวยยังมีทั้งหลายเรื่องที่ยังไม่เห็นอย่างเงี้ยนะอินเดียก็ยังไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ยนะตอนหันตาเนี่ยนะน้อยนักที่จะบอกว่าพอแล้วที่จะเห็น พอแล้วที่จะฟังเนี่ยนะอะไรก็ทั้งไม่ต้องการได้ยินแล้วปิดหมดแล้วว่างั้นเถอะเบื่อเลอเกินที่จะฟังเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเนี่ยนะไม่ใช่กโกรธนะไม่ได้กโกรธหูก็บอถึงเวลาเปลืองตัวเองออกสักทีหนึ่งเบื่อเลอเกินที่จะต้องอนะพอแล้วที่จะรู้กลิ่นพอแล้วที่จะลิ้มรสพอแล้วที่จะรับกระทบโพธพพพอแล้วที่จะมีร่างกาย พอแล้วที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าใครที่พิจารณาอายตนะได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่พรหมทั้งหลายเขาก็พอนะพอที่จะรู้กลิ่นรู้รสและรู้โธพธิภะเขาก็พอละเขาไม่เอาละแต่โดยวิขัมพนประหาร้าภุธาตุญาทั้งหลายก็พอโดย สมุมเชะาปะหานต้องการดับจริงๆตับต้นตอเลยทั้งหมดนี้นะท่านบอกว่าการวิสัชนาธรรมมาสิบข้อเหล่านี้ท่านกล่าวถึงตีระณะปริญญาด้วยอำนาจวิพัสนาทรหนึ่งถึงทำสิบทวนอีกครั้งหนึ่งทำหนึ่งคือภาษะเป็นที่ตั้งอาสวะทรสองคือนามรูปทรสามเวทนาสามทมสี่อาหารสี่ทำห้าคืออุปาทานขันห้าทำหก อายตนะภายในหกทำเจ็ดก็คือวิญญาณทิตฐิเจ็ดทำแปดโลกะทำแปดทำเก้ า, าสัตตวะเก้าทำสิบล่ะอายตนะสิบเนี่ยนะทำเหล่านี้ควรพิจารณาด้วยอำนาจวิปัสสนาด้วยการเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นต้นซึ่งการเห็นเหล่านี้เนี่ยกลับเข้าไปแช่ง พิจารณาว่าสีไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงกลับไปแช่งว่าตาไม่เที่ยงสีไม่เที่ยงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอันน้นก็เห็นตามเป็นจริงเอ๊แล้วมันไม่ไม่เที่ยงยังไงก็ยังเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยทําไมจึงบอกว่าไม่เที่ยงอีกร้อยปีจะเห็นไหมมาลองมาคิดคิดดูนะก็เอาแบบหลักการแบบหยาบหยาบแบบอะไรนะแบบสัมมาสนาญาณแบบรูปศัตว์กะอรูปศัตว์กะมาคิดดูก็จะเริ่มเห็นตามที่ ที่ท่านแสดงแต่ถ้ามามานั่งจดจ้องอู้มันไม่เที่ยงเนี่ยเกิดดับประยิบประยับไปหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็ถ้าบรรลุได้ก็มีบรรลุม่ใช่น้อยแต่เชื่อเอไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่ใช่คิดอย่างนั้นหรอกเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเกิดการไข้ครควนอย่างละเอียดทีท้วนในการสามเนี่ยเอาการสามเป็นต้นเป็นเครื่องวัดทั้งโดยอัฐาโดยสัน ต, ติโดยสมัยและโดยขณะมีการไข้ครควนอย่าง รอบข้อบทำไมงั้นไม่พอที่จะเบื่อหน่ายรอกเนี่ยนะตัณหาของเราทั้งหลายที่ไหลไปตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันเป็นยางเหนียวที่มันทะลักดูดกระแสน้ำที่ไหลผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจตัีหามันากขนาานั้นถ้าพิจารนาเลักๆนดน้ำที่ไ่านตาหูจมกลิ้นกายใจเนี่ยันหาเนียที่มันดร้ไหลนตามทวายต่ันางๆกิเลสที่มันเกิดรที่ไหลผตาหมกิ้นาน่ปตางมทะลน่างๆ มันมากจนต้องเจริญมักต้ององแปดจึงจะจึงจะละปัญหาที่นําไปเกิดในพบใหม่ได้ถ้าไม่ครบองค์แปดตัดไม่ได้เพราะกิเลสมันแรงขนาดนั้นมันมากขนาดนั้นขณะเดียวกันถ้าไม่พิจารณาจนพอจริงๆมักแปดก็เกิดไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามักแปดนั้นอนุโลมตามปัญญาเนี่ยนะอนุโลมตามปัญญาต่อไป มากล่าวถึงทำทั้งปวงที่ควรกําหนดรู้นะในเล่มที่แจกไปก็ได้หรือใครที่มีเล่มไทยเอกาสารที่เคยแจกไปก่อนหน้านั้นก็ได้พิจารณานะว่าที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี้เป็นพุทต่อโทนะสิ่งทั้งปวงควรกําหนดรู้กําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาตีรณะแปลว่าการใคร่ครวนปริญญาแปลว่ารอบรู้ หรือที่ตรงนี้แปลว่ากำหนดรู้ที่ควรเข้าไปรอบรู้โดยการไข้ครควนอะไรบ้างตาควรกำหนดรู้หรือตาเนี่ยควรทำปริญญารูปควรทำปริญญาจักคูวิญญาณควรทำปริญญาจักคูสัมผัสควรทำปริญญาสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากคูสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยควรทำปริญญาเนี่นะ ปริญญากับกำหนดรู้นี่นะผมมาชอบคําว่าปริญญามากกว่าคําว่ากําหนดรู้คืออาจจะเรียนภาษาไทยไม่จบอ่ะนะคําว่ากําหนดดูสิทำเป็นยังไงเนะี่ยก็กําหนดก็เหมือนกับแตะแต ะ, แตะอะไรสักอย่างเหมือนไปเออทรงจําเอาไว้กําหนดจดจำอ่ะนะเพราะเราได้ได้ยินลานลักษณะนั้นแต่คําว่าปริญญาในที่นี้แปลว่าการเข้าไปเรียนรู้รู้รอบคร้ครวนอย่างละเอียดทีถ้วนโดยมีหลักวิชาเข้าไปไข้ครควน ไม่ใช่เออไม่รู้จะไปไข้ครวนว่ายังไงแต่ไข้ครวนแบบคนมีวิชาวิชาที่ไปไข้ครวนเนี่ยไข้ครวนโดยอย่างไรบ้างก็ไขครวนโดยความเป็นของไม่เที่ยงไข้ครวนโดยความเป็นทุกข์ไข้ครวนโดยความเป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มันมันพิจารณาเนาะมันพิจารณามันไข้ครวน ใครควรตามทวารตาเนี่ยนะอย่างเช่นตาควรทําตีรณ ะ, ะประิญญาถ้าเราลองมาแบบพูดแบบภาษาเต็มๆก็คือตาควรทำเตรณ ะ, ะประิญญารูปควรทําตีรณ ะ, ะประิญญาจักรคูวิญญาณควรทําตีรณ ะ, ะประิญญาจากักรคูสัมผัสควรทําตีรณ ะ, ะประิญญาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทน า, ออน ท, นาที่มีจกักรคูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรทำเตรณ ะ, ะประิญญาเนี่ยนะ ก็อย่างว่านะถ้าทวารตามีอยู่ห้าคำใช่ไหมตะตารูปจัคูวิญญาณภาษะเวทนาถ้าคุณไม่อนะพิจารณาแบบอธิตตปริยสูตรของมาว่าเบาที่สุดแล้วในบรรดาการพิจารณาซึ่งพระองค์ก็ให้สูตรชัดเจนเลยใช่ไหมนะพิจารณาโดยความเป็นของร้อนก็ได้พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้นะร้อนเพราะอะไรพไฟคือราคะไฟคือโรสะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะตัวเขาเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชาติชราและมรณะขณะเดียวกันเนี่ยต้นเหตุแห่งเหตุแห่งโซกะปริเทวะทุกขโทมณัดและอุปาญาตเนี่ยนะแต่ถ้ามั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็จนกว่าจะว่าแตะเข้าไปตรงไหนก็ร้อนหมดเลยเนี่ยนะร้อนจริงๆนะไม่ได้คิดว่าคิดว่าร้อนกับเขาเห็นว่ามันร้อนจริงๆนี่เหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันนะจนกว่ามีสามัญย่ำสำนึกโดยจิตวิญญาณที่สูงส่งว่ามันร้อนจริงๆร้อนอยังไงก็ร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นต้นเนี่ยนะร้อนด้วยสังกิเลส ธ, ธรรมเป็นต้นโอ้โ <c oughs> ห, หนี่ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาเสียงควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาโสตวิญญาณควรกําหนดรู้ด้วย ตีรณปริญญาโสตสัมผัสควรกําหนดรู้ด้วยตีรณปริญญาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นตัจัยก็ควรพิจารณาโดยตีรณะปริญญาเนี่ยนะก็ไข้ควรถึงความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีของหูของเสียงของโสตวิญญาณภาษะและเวทนาเหล่านี้ หรือจะพิจารณาตามมาที่ตาปริยญสูตรที่กล่าวเมื่อกี้ก็ได้ว่าหูเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนโสตวิญญาณเป็นของร้อนโสตสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะมีอะไรมั่งที่ไม่สะท้อนมาซึ่งราคะมีไหมในที่สุดมันก็สะท้อนมาหาราคะจนได้ถ้อยคำใดก็ตามที่ได้ฟังได้ยินด้วยอำนาจราคะอย่าคิดว่าไม่แปลสภาพเป็นโทสะในที่สุดก็กลายเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเพราะอะไรเพราะวิปโยควิปโยคทุกข์เป็นต้นบ้างสัมปโยคทุกข์เป็นตนบ้างใช่ไหมก็จึงเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของสิ่งเหล่านี้ตามสภาพที่เป็นจริงว่าเขามีเหตุเกิดเช่นใดความดับเช่นใดน่ายินดีเพียงใดแล้วก็โทษพิษภัยของสิ่งเหล่านี้มีปริมาณแค่ไหนตัดใจได้อย่างไรถ้าไม่รู้อันนั้นก็ไฟคือโมหะก็ตามเผา แล้วตัวหูเสียงโสตะวิญญาณผัสสะเวทนาก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาต้นเหตุแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตฟังคําบังคําและโศกสะเอืินอยู่ครึ่งวันเคยไหมก็คําปฏิเสธเป็นต้นใช่ไหมโอ้โหอยากได้บางอย่างแล้วถูกปฏิเสธมานี่เศร้าไปครึ่งวันเลยนะอยากไปเที่ยวบางแห่งใช่ไหม ไม้ไม้เด็กๆไนงะขอไปเที่ยวพ่อขอไปเที่ยวหน่อยบอกไม่ให้ไปไงนะโอ้ยนอนเศ้าจนกว่าจะหลับนะนะั่นแหะคําเดียวคําว่าไม่คําเดียวเนี่ยนะอ่มเป็นที่ตั้งแห่งโสกะใช่ไหมได้ยินอยู่เสียงเดียวเนี่ยนะบ่นอยู่ได้ครึ่งวันได้ยินแค่คําเดียวเนี่ยนะโสกะอัปปริเทวะก็คือบ่นนะนะั่นแหละบ่นแล้วบ่นเล่าบน่บนเนี่ยบ่นอีกไงนะเสียงเสียงเดียวเนี่ยนะทําให้โอ้ย โ, โรคโรค ก, กําเริบเลยก็มีทุกข์นนะไข้ขึ้นเลยก็มีเคยได้ยินไหม บางคนเนี่ยเนาะได้ยินเสียงเสียงเดียวเนี่ยคำคำเดียวหรือได้ยินหลายๆคําก็ตามเถอะป่วยเลยก็มีไข้ขึ้นเลยก็มีบางพวกก็เสียใจอยู่นั่นแหละน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจเศร้าใจอยู่นั่นแหละอย่างนี้บางพวกก็แค้นใจอดึดอัดเครียดถูกเวรถูกพยาบาทก็ไม่ใช่น้อยเพราะเสียงเนั้นเสียงแต่ละแต่ละสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าพิจารณาให้รอบพิจารณา จนเพียงพอเนี่ยนะแล้วเป็นผู้ที่ทำสติติอย่างดีจริงๆทำสติติอย่างทั้งภายในทั้งภายนอกเก็บข้อมูลในทุกพบโพมเนี่ยนะถ้าทำได้อย่างนั้นจริงๆใจทั้งหลายก็น้อมไปเพื่อจะเบื่อหน่ายน้อมไปเพื่อจะคลายกำหนัดเนี่ยนะัน้นการกาหนดรู้จึงมีอุปการะมากจมูกก็ควรกาหนดรู้ด้วยตรีรณะปรรญญากลิ่นก็ควรกาหนดรู้ด้วยตรีระณะปริญญา คานะวิญญาณก็ควรกําหนดรู well ้ด้วยเตระนะปริญญาคานะสัมผัสก็ควรกําหนดรู้ด้วยเตระนะปริญญาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรกําหนดรู้ด้วยเตระนะปริญญานะกําหนดรู้ว่าเช่นจมูกเป็นของร้อนเกิ่นก็เป็นของร้อนคานะวิญญาณเป็นของร้อนคานะสัมผัสเป็นของร้อน แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะร้อนเพราะไฟคือราคะเนี่ยนะเชื่อไหมทวานจมูกนี่ใครเคยถมเต็มต ม, มั่งเอาอะไรมาดมให้มันพอซะมีไหมอาจจะดมน้ํากรดแล้วจมูกเสียไปเลยนะอาจจะพ อ, อแต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปนะเรียกว่าหอมไม่พอเลยนะ รับกลิ่นเหล่านั้นนั้นให้พอเลยไม่นี้ไม่เต็มฐ า, านะทวารเนี่ยนะถมไม่เต็มจเจ้ากลิ่นมาทั้งโลกเนี่ยนะเปลี่ยนเก่นไปเรื่อยๆยังไงก็ถมไม่เต็มนะแล้วต่อไปร้อนเพราะไฟคือโทสะมันเผาทวารจมูกเลยไหมได้เก่นบางอย่างนี่ก็หลายๆลิ่นแล้วก็โทสะเลยนะเรามานี่ประจําเลยได้เก่นบางอย่างนี่อาเจียนอยู่นั่นแหละ <laughs> คําว่าโทสะนี่รวมถึงอาเจียนด้วยนะ กังเกียดกลิ่นบางกลิ่นนะอาเจีนออกมานั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งของโทสะเนี่ยนะโทสะที่เกิดขึ้นไฟคือโทสะก็เลยเผาเลยถ้าไฟคือโมหะเลยไม่พิจารณาจมูกตามตามเป็นจริงเอ๊ะเป็นจริงไงมันจริงยังไงจมูก้วจมูกก็เป็นจมูกไม่ใช่เหรอจะรู้ให้มันรู้จริงนี่มันรู้แค่ไหนจริงก็เรียกว่ารู้จริงก็รู้ว่าจมูก น, นะมีอะไรเป็นเหตุไกลหมาภูตารูปเป็นเหตุใกล้มีกรรมเป็น ปัจจัยโดยนานาคขาคณิกกรรมมาปัจจัยมีคันพระตันหาเป็นกุปปนิสัยปัจจัยเนี่นะอาศัยอาหารชรูปโอุตูเชรูปจิตตชรูปเป็นผู้มาอุปธรรมแวดล้อมอาหารชรูปเป็นพี่เลี้ยงเจริญเติบโตมาโดยลําดับทีนี้ถ้าหากว่าสมูกเหล่านี้ถ้ากรรมที่เป็นปัจจัยวิบัติจมูกวิบัติไหมวิบัติเป็นต้นเนียนะถ้าอาหารชรูปวิบัติจมูกเสียหายไหม เสียหายเนี่ยนะเพราะว่ารักษาจมูกก็ยังรักษาด้วยอาหารอีกอยู่ดีอาหารหมายถึงยานะก็ต้องอาศาัยยาอีกอยู่ดีไม่ใช่อะไรพึ่งหยอดจมูกมาดังั้นจมูกเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งสรารพัดโรคเนี่ยนะจมูกนในจึงเป็นสิ่งที่เป็นสังขารธรรมจริงๆถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถึงจะดูแลดูแลดีอย่างไรก็ตามามีโยมคนหนึ่งเล่า เป็นคนที่รับซื้อของเก่าคนรับซื้อของเก่าซื้อพวกภาชนะเก่าๆพวกแกนลอนพวกอะไรเนี่ยนะก็ไปรับซื้อแล้วซื้อของเก่าอ่าทีนี้พวกถ้าซื้อแกนลอนเนี่ยมันก็ต้องเปิดแล้วดมดูก่อน <c oughs> เปิดดมเปิดดมเปิดดมดมจนได้มะเร็งที่ที่หลังจมูกสันทีในที่สุดก็เข้าสมองเกิดใหม่เป็นนานแล้วตายไปแล้วนะตอนนั้นแหละพราะบางคนเนี่ยดมจนได้เนี่ยนะจนได้มะเร็งก็มี นั้นจมูกจึงเป็นของร้อนตามมาด้วยโรคภัยอีกเยอะแยะไปหมดเลยสัตว์บางพวกเนี่ยนะมันตายเพราะได้กลิ่นนะถ้าไม่ได้กลิ่นไม่ตายหรอกครับเพราะได้กลิ่นนั่นแหละจึงตายเพราะนนั้จมูกก็ร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนคานะวิญญาณก็เป็นของร้อนจริงๆมันทาไม่ได้กลิ่นซะอย่างเดียวเนี่ยนะไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธเป็นต้นอย่างมือเย็นๆใครรักษาอุโบสถถ้าไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ในชะ่ไหม ก็ได้กลิ่นเขานั้นแหละหิวเลยนะใส่อร่อยมากนะเอามาฝากตอนเช้าอะไรไม่ได้เรื่องเลยนะจริงๆแล้วก็คือไอ้กลิ่นนี่มันสะเทือนใจจริงๆเลยในบางทีมันจึงเป็นของร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็มีความแก่เป็นปกติใช่ไหมมีความตายเป็นปกติต้นเหตุแห่งความ เสียใจเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเป็นที่เเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อนนั้นถ้าสังเกตดูถ้าสรุปทุก ท, กทวารพิจารณาให้ดีจะรู้ว่าเราเดือดร้อนทุกวันเนี่ยลำบากใจทุกวันเนี่ยมันต้องมาจากทวารใดทวารหนึ่งจนได้บางคนเนี่ยเดือดร้อนมาเพราะทวารตาใช่ไหมบางคนก็เดือดร้อนมาเพราะทวารหูเพราะไปได้ยินบางคํานั่นแหละบางคนก็เดือดร้อนเพราะ ทวารจมูกบางคนก็เดือดร้อนมาเพราะทวารลิ้นบางคนก็เดือดร้อนใจมาเพราะทวารกายบางคนก็เดือดร้อนใจเพราะทวารใจเพราะไปคิดเนี่ยนะพระวิตกนั่นแหละพาไปถ้าหากว่าสาวหาต้นเหตุสาวหาต้นต่อพบความทุกข์อย่างน้อยก็พอพอประทางประทางออกไปแปลกนะราคะก็ตามโทสะก็ตามโมหะก็ตามถ้าปัญญามันเกิดแล้วไม่รู้มันหายไปไหนหมด เออนี่ยพวกความโลภก็กลัวปัญญาจริงๆเลยนะความโกรธก็กลัวปัญญาความหลงยิ่งกลัวปัญญามากเหมือนกับความมืดเนี่ความมืดนี่กลัวอะไรที่สุดกลัวแสงสว่างไงโมหานี่กลัวมากกลัวปัญญาเพรานั้นถ้าปัญญาถ้าเรามีปัญญาเอามาใช้เนี่ยกิเลสนี่มันไม่รู้มันหนีไปไหนหมดแต่ถ้าปัญญาไม่มานะหรือปัญญาไม่ยอมมาทํางานเลยเนี่ยตกงานเนี่ยปัญญาตกงานเมื่อไหร่ก็โอ้กิเลสเล่นงานเต็มที่ นะเพราะเราลืมพระพุทธเจ้าเนีนปัญญาเลยไม่ค่อยทํางานเลยนะลิ้นเนี่ยเป็นของร้อนรถก็เป็นของร้อนชิวหาวิญญาณก็เป็นของร้อนชิวหาสัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนบางคนเนี่ยนะทวารอื่นไม่ติดแต่ติดอยู่ทวารเดียวคือทวารลิ้นไม่ให้กินไม่ได้เลยเนี่ยนะโอ้ทํา ทําจะเคี่ยนจะตีจะโบยจะยังไงทนได้หมดจะดา่าจะแช่งจะอะไรก็ได้ขอให้ได้กินเธอขออย่างเดียวมันติดใจในรถมากเพลดิดเพลินในรถมันอร่อยไปหมดเลยลรสชาติของมหาพูดเนี่ยมันยั่วยวนชวนใจบอกไม่ถูกใช่ไมเคยเคยหิวหิวนะข้าวตากแห้งมันยังเห็นว่าอร่อยเลยคิดดูข้าวตากแห้งขนมปังอะไรก็มันอร่อยด้วยอร่อยไปหมดอต่ลองหิวเต็มที่มันมหาพูดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความ ห, หิวจริงๆอ่ะนะพราะพวกทวารลิ้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะติดใจในรถเนี่ยเที่ยวสแสวงหาอาหารจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งโอ้ยติดใจในรถบางคนก็บิดไปหากินต่างประเทศเลยไปหากินต่างประเทศเพรารถติดใจในรถไปขับรถไปตะเวนตะเวนหารถที่อร่อยๆเลยเดือดร้อนเพราะลิ้นเนี่ยมากเลยนะแล้วก็โรคทั้งหลายก็ไหลมาจากทวารลิ้นนั่นแหละ บางมือเนี่ยทะเลาะกันบนโต๊ะอาหารก็เพราะรสมันไม่อร่อยบ่นกันอยู่นั่นแหละอย่างที่เขาเล่าให้ฟังนะมีพ่อบ้านคนหนึ่งก่อนที่จะมาศึกษาธรรมะเนี่ยแม่บ้านก็ทํากับข้าวให้นะแกชิมเข้าไปช้อนเดียวแค่นั้นและมันไม่อร่อยก็ยกคว่ำใส่ศีรษะแม่บ้านเลยนะบางคนก็หนักขนาดนั้นก็มีบางคนนี่ก็ทะเลาะกันบ่อยมากในโต๊ะอาหารเพราะว่าอนุภาพของรสัตว์ตันหา สังเกตดูนะระศาสตตันหามันทําให้พี่น้องแย่งขนมกันทะเลาะกันใครไม่เคยบ้างทําเป็นนั่งเถอะเดี๋ยวนะทะเลาะแย่งกับพี่แย่งกับ น, น้องเรื่องขนมนี่แหละเดี๋ยวนะก็ระศสตตันหานั่นแหละพาไปทะเลาะแก่งแย่งกันคืออันนี้เปรียบเทียบมันเห็นชัดนะนะไม่ได้ว่าต้องการดูถูกดูหมิ่นอะไรสุนัขเนี่ยถ้ามันนอนอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีอาหารมาวางนะ่ะมันไม่ทะเลาะกันเลยนะมันก็นอนอย่างพลาสุขมัน พอมีอาหารมาตั้งชิ้นหนึ่งมันทะเลาะกันจนหมดอาหารแล้วมันก็มาคืนดีกันต่อไปเอคืนดีก็นอนอยู่ด้วยกันต่อไปแต่ไม่มีอะไรนะมันไม่ผูกเวรด้วยนะมันก็อยู่กันสภาวะพอมีอาหารใหม่ทะเลาะกันอีกนี่ยอนุภาคของรัศดรันหานี่มันรุนแรงมากพี่น้องก็ทะเลาะกันตอนที่หิวหิวอยากได้รัศดรันหาเนี่ยลยบางพวกก็เรียกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีนะก็เรียกว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะ ร่างกายมันไม่ได้ต้องการมากมายอะไรหรอกแต่ว่าระัะตัรหามันต้องการมากวันก่อนยังฟังแล้วขำเลยบอกว่าอุย้ยตอนตอนตักอาหารนะยังกระชูชกเขาว่างั้นพอทานแล้วไปได้สักครึ่งระดับหนึ่งแล้วบอกอุย้ยใจเป็นพระเวทตันดอนหมดเลยเคยไหมเป็นยังไงโอยตอนตอนสมมตนะิอาหารบนโต๊ะตอนหิวเต็มที่นะมันเป็นชูชกหมดแล้วั น, นั่นก็จะเอานี่ก็จะเอาโกงเดินเดินพึก ตักกินเขาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะใกล้จะอิ่มแล้วบอกจ่ายเป็นพระเวสสันดรหมดเลยนะเออเอานี้ไปให้คนนั้นเอานั้นไปให้คนนี้แบ่งให้คนนั้นเ่รนะสินายได้มันอิ่มแล้วหรอกฉั น, นชี่ยวหาเนี่ยนะเป็นเป็นร้อนร้อนจริงๆยมก็บอกว่าเฮ้ยตันหาอ ย, ย่างอื่นๆเนี่ยก็ลดไปยอดเนี่ยนะเหลือแต่ทวารลิ้นอย่างเดียวเท่นั้นยมนั่งอยู่แถวนี้แหละเอยเชื่อเดี๋ยวเสียเกียรติหมดนะกลายเป็นของร้อนนะะโพธพะเป็นของร้อน กายะวิญญาณเป็นของร้อนกายะสัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนผลกายนี่จึงควรกําหนดรู้จริงๆตอนที่เราไม่ป่วยอย่างนี้อย่างนี้นะก็เหมือนไม่มีอะไรแต่ที่ว่าโยมเมื่อคืนเนี่ยที่เล่าที่บอกว่าอู๋ตอนขาแทงเข้าไปเนี่ยนะแล้วร่างกายตรงไหนบ้างที่ไม่เป็นที่ที่ตั้งแห่งการทิ่มแทง มีไหมในร่างกายของเราเลยนะไม่เป็นที่ตั้งแห่งการเจาะไม่เป็นที่ตั้งที่ตั้งแห่งการทิ่มไม่เป็นที่ตั้งแห่งคมสาสตราบาดเข้าไปมีไหมไม่มีเลยเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการผ่าการเจาะทุกส่วนในร่างกายเนี่ยนะทุกส่วนในร่างกายโดยที่สุดแม้แต่กระดูกทั้งหลายเนี่ยนะกระดูกก็เป็นที่ตั้งแห่งการเจาะเป็นที่ตั้งแห่งการแทงเนี่ยนะมันตัวกายก็เป็นของร้อน โพธภะที่อยู่ในภายในก็ตามโพธภะจากภายนอกก็ตามก็เป็นของร้อนกายวิญญาณด้วยก็ยิ่งร้อนเลยนะถ้าสุขากายวิญญาณเกิดขึ้นก็โลภะก็เผาทุกขกายวิญญาณเกิดขึ้นโทศะก็เผาพันกร้อนาากายสุขกายวิญญาณก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทุกขกายวิญญาณก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะ ถ้ากายป่วยแล้วนะใจมันจะป่วยตามง่ายเนี่ยนะนะก็บอกว่าพอพอชาราไปมากๆเนี่ยนะโรคน้อยเนื้อต่ําใจไม่รู้มันไหลมาจากไหนเนี่ยนะไหลมาก็เป็นคนขี้น้อยใจมากกว่าเดิมขึ้นเยอะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมเลยนะเป็นกลุ่มคนที่เริ่มเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มากเท่าไหร่นนะความน้อยใจก็จะมีมากเท่านั้นก็เลยร้องเรียกหาความสําคัญ ร้องเรียกหาความสำคัญยิ่งร้องเท่าไหร่กลายเป็นว่ายิ่งเสียความสำคัญออกไปนะก็มันพวกนี้มันเป็นของร้อนจริงๆเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะร่างกายของเราเนี่ยพระองค์จึงจึงให้ทำปริญญามากๆเลย ทั้งตัวกายกายคือผมกายคือเล็บกายคือฝันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะพวกนี้พระองค์จึงสอนให้เอามามากําหนดมาไข้ครควญมาพิจารณาให้มากๆเพราะว่าถ้าไม่ไค้ครควญก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจของร่างกายพอกายป่วยนิดใจก็ป่วย มากเนี่ยนะบางคนเนี่ยร่างกายอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าจิตใจนี่สิป่วยตรงปวดหัวนิดหนึ่งอุ๊ยใจเนี่ยตายแนย่งานนี้อย่างเงี้ยนะแล้วตัวหูเสียงโสตวิญญาณผัสสะเวทนาก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาต้นเหตุแห่งโสกะปริเทวทุกขโทมนัและอุปาญาต ฟังคําบางคําและโศกสะเอิญอยู่ครึ่งวันเคยไหมก็คำปฏิเสธเป็นต้นใช่ไหม <c oughs> โอ<ฮ>้โหอยากได้บางอย่างไนมะ่ถูกปฏิเสธมานี่เศร้าไปครึ่งวันเลยนะอยากไปเที่ยวบางแห่งใช่ไหมไห ม, ไมเด็กๆนะขอไปเที่ยวพ่อขอไปเที่ยวหน่อยบอกไม่ให้ไปไงนะโอ้ยนอนอเศร้าจนกว่าจะหลับนะนะั่นแหะคําเดียวคําว่าไม่คําเดียวเนี่ยนะนะอืาเป็นที่ตั้งแห่งโศกกะใช่ไหมได้ยินอยู่เสียงเดียวเนี่ยนะบ่นอยู่ได้ครึ่งวัน ได้ยิโโ papel, น, world, คน road, แ, erna, แ of ค่คำเดียวเนี่ยนะโสกกะปริเทวะก็คือบ่นนั่นแหละบ่นแล้วบ่นเล่าบ่นแล้ะบ่นอีกเนี่ยนะเสียงเสียงเดียวเนี่ยนะทําให้โอ้โหโรคโรคกําเริบเลยก็ม <m ock fais electrons> ีทุกข์นะไข้ขึ้นเลยก็มีเคยได้ยินไหมบางคนเนี่ยได้ยินเสียงเสียงเดียวเนี่ยคำคำเดียวหรือได้ยินหลายๆคําก็ตามเถอะป่วยเลยก็มีไข้ขึ้นเลยก็มีบางพวกกเสียใจอยู่นั่นแหละน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจเศร้าใจอยู่นั่นแหละเห็นไหย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 เบื put on, put on <wind> <Wha> ่อหน่ายน้อมไปเพื่อจะคลายกำหนัดเนี่ยนั้นการกําหนดรู้จึงมีอุปการะมากจมูกก็ควรกําหนดรู้ด้วยตตรณปริญญากลิ่นก็ควรกําหนดรู้ด้วยตตรณปริญญาคานวิญญาณก็ควรกําหนดรู้ด้วยตตรณปริญญาคานะสัมผัสก็ควรกําหนดรู้ด้วยตตรณปริญญาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรกำหนดรู้ด้วยเตรณะประยาเนียนะกำหนดรู้ว่าเช่นจมูกเป็นของร้อนกล่นก็เป็นของร้อนคานะวิญญาณเป็นของร้อนคานะสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีที่เก so ิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่ง ราคาร้อนพระไฟคือราคาเนี่ยนะเชื่อไหมทวารจมูกนี่ใครเคยถมเต็มมัง้งเอาอะไรมาดมให้มันพอซะมีไหมอาจจะดมน้ํากรดแล้วจมูกเสียไปเลยก็อาจจะพอะแต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปนะเรียกว่าหอมไม่พอเลยนะรับกลิ่นเหล่านั้นนั้นให้พอเลยไม่มีไม่เต็มฐานะทวารเนี่ยนะถมไม่เต็มจเจ้ากลิ่นมาทั้งโลกเนี่ยนะเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆยังไงก็ถมไม่เต็มนะแล้วต่อไป ร้อนเพราะไฟคือโทสะมันเผาทวารจมูกเคยไหมได้เกลื่นบางอย่างนี่ก็หลายๆกลิ่นแล้วก็โทสะเลยนะออกมานี่ประจําเลยได้กลิ่นบางอย่างนี่อาเจียนอยู่นั่นแหละคําว่าโทสะนี่รวมถึงอาเจียนด้วยนะตังเกียรกลื่นบางกลื่นแลอาเจียนออกมานั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งของโทสะเนี่ยนะโทสะที่เกิดขึ้นไฟคือโทสะก็เลยเผาเลยถ้าไฟคือโมหะเลยไม่พิจารณาจมูกตาม ตามเป็นจริงเอ๊ะเป็นจริงไงมันจริงยังไงจมูกจมูกก็เป็นจมูกไม่ใช่เหรอจะรู้ให้มันรู้จริงนี่มันรู้แค่ไหนจริงก็ได้กว่ารู้จริงก็รู้ว่าจมูกอนะมีอะไรเป็นเหตุใกล้หมาภูต ร, รูปเป็นเหตุใกล้มีกรรมเป็นปัจจัยโดยนานาคคานิก ก, กรรมมาปัจจัยมีคันทะตันหาเป็นอุ ป, ปนิสัยปั จ, จัยเนียนะอาศัยอาหารชโรคปุตตชโรจิตตชโรปเป็นผู้ มาอุปถัมภ์แวดล้อมอาหารชโรคเป็นที่เลี้ยงเจริญเติบโตมาโดยลําดับทีนี้ถ้าหากว่าจมูกเหล่านี้ถ้ากรรมที่เป็นตัจใจวิบัติจมูกวิบัติไหมวิบัติเป็นต้นเนี่ยนะถ้าอาหารชรื้อโรวิบัติจมูกเสียหายไหมเสียหายเนี่ยนะเพราะว่ารักษาจมูกก็ยังรักษาด้วยอาหารอีกอยู่ดีอาหารหมายถึงยานะก็ต้องอาศัยยาอีกอยู่ดีไม่ใช่อะไรพึ่งหยอดจมูกมา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 ทีนี้พวกทัานซื้อกันรอนนี่มันก็ต้องเปิดแล้วดมดูก่อนเปิดดมเปิดดมเปิดดมดมจนได้มะเร็งที่ที่หลังจมูกในที่สุดก็เข้าสมองเกิดใหม่เป็นนานแล้วตายไปแล้วนะก็นั่นแหละท่านบางคนเนี่ยดมจนได้จนได้มะเร็งก็มีนั้นจมูกจึงเป็นของร้อนนะนะตามมาด้วยโรคภัยอีกเยอะแยะไปหมดเลยสัตว์บางพวกเนี่ยนะ มันตายเพราะได้กลิ่นนะถ้าไม่ได้กลิ่นไม่ตายหรอกครับเพราะได้กลิ่นนั่นแหละจึงตายเพราะจมูกก็ร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนคานวิญญาณก็เป็นของร้อนจริงๆมันถ้าไม่ได้กลิ่นซะอย่างเดียวเนี่ยนะไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธเป็นต้นอย่างมื้อเย็นๆใครรักษาอุโบสถถ้าไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหรนะ่ใช่เพราะได้กลิ่นเท่านั้นแหละหิวเลยนะใสอร่อยมากนะเอามาฝากตอนเช้าอะไรไม่ด้เรื่องเลยนะ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 เหมือนกับความมืดเนี่ความมืดนี่กลัวอะไรที่สุดกลัวแสงสว่างไนงะโมหะนี่กลัวมากกลัวปัญญาเพราะถ้าปัญญาถ้าเรามีปัญญาเอามาใช้เนี่ยกิเลสเนี่มันไม่รู้มันหนีไปไหนหมดแต่ถ้าปัญญาไม่มานะหรือปัญญาไม่ยอมมาทํางานเลยเนี่ยนะปัญตกงานเนี่ยปัญญาตกงานเมื่อไหรก่ก็โอ้กิเลสเล่นงานเต็มที่นั่นไงเพราะเราลืมพระพุทธเจ้าเ่ยนะปัญญาเลยไม่ค่อยทํางานเลยนะลิ้นเนี่ยเป็นของร้อน รถก็เป็นของร้อนชิวหาวิญญาณก็เป็นของร้อนชิวหาสัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนบางคนเนี่ยทนะวารอื่นไม่ติดแต่ติดอยู่ทวารเดียวคือทวารลิ้นไม่ให้กินไม่ได้เลยเนี่ย น, นะโอ้ทาทําจะเคียนจะตีจะโบยจะยังไงทนได้หมดจะด่าจะแช่งจะอะไรก็ได้ขอให้ได้กินเถอะขออย่างเดียวเพราะติดใจใน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 บางคนเนี่ยนะติดใจในรถเนี่ยเที่ยวสแสวงหาอาหารจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งโอ๊ยติดใจในรถบางคนก็บิดไปหากินต่างประเทศเลยี่ไปหากินต่างประเทศเพรารถติดใจในรถไปขับรถไปตะเวนตะเวนหารถที่อร่อยๆเล ย, ยเดือดร้อนพรลิ้นเนี่ยมากเลยนะแล้วก็โรคทั้งหลายก็ไหลมาจากถาวรลิ้นนั่นแหละบางมือเนี่ยทะเลาะกันบนโต๊ะอาหารก็เพราะรถมันไม่อร่อย บ่นกันอยู่นั่นแหละอย่างที่เขาเล่าให้ฟังนะมีพ่อบ้านคนหนึ่งก่อนที่จะมาศึกษาธรรมะเนี่ยแม่บ้านก็ทำกับข้าวให้นะแกชิมเข้าไปช้อนเดียวนะแค่นั้นแมันไม่อร่อยก็ยกคว่มใ ส, ส่ศีรษะแม่บ้านเลยบางคนก็หนักขนาดนั้นก็มีบางคนนี่ก็ทะเลาะกันบ่อยมากในโตอาหารเพราะว่าอนุภาพของรสชตตัหาสังเกตดูนะรสชตตันหามันทาให้พี่น้องแย่งขนมกัน ทะเลาะกันใครไม่เคยบ้างทาเป็นนั่งเหอะเดี๋ยวนะทะเลาะแย่งกับพี่แย่งกับน้องเรื่องขนมนี่แหละเดี๋ยวนะก็รักษาปัญหานั่นแหละพาไปทะเลาะแก่งแย่งกันคืออันนี้เปรียบเทียบมันเห็นชัดนะนะไม่ได้ว่าต้องการดูถูกดูหมิ่นอะไรสุนัขเนี่ยถ้ามันนอนอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีอาหารมาวางน่ะมันไม่ทะเลาะกันเลยนะมันก็นอนอย่างพลาสุขมันพอมีอาหารมาตั้งชิ้นหนึ่งอะมันทะเลาะกันจนหมดอาหารแล้วมันก็มาคืนดีกันต่อไปเอ คืนดีก็นอนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไม่มีอะไรนะมันไม่ผูกเวรด้วยเนาะมันก็อยู่กันสวะพอมีอาหารใหม่ทะเลาะกันอีกเนี่ยนี่ยอนุภาคของรสชาตันหานี่มันรุนแรงมากพี่น้องก็ทะเลาะกันตอนที่หิวหิวอยากได้รสชาตันหาเนี่ยลยบางพวกก็เรียกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีนะก็เรียกว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะร่างกายมันไม่ได้ต้องการมากมายอะไรหรอกแต่ว่ารสชาตันหามันต้องการมาก มันก่อนยังฟังแล้วขำเลยเขาบว่าอุ้ยตอนตอนตักอาหารนะยังกระชูชกเขาว่าัไงพอทานแล้วไปได้สักคร่งระดับหนึ่งแล้วบอกอุ้ยใจเป็นพระเวทตันดอนหมดเลยเคยไหมเป็นยังไงโอยตอนตอนสมมติอาหารบนโต๊ะตอนหิวเต็มที่แนละ้วมันเป็นชูชกหมดเล้ว น, นั่นก็จะเอานี่ก็จะเอาโกงรงพนันเดินดึก ตักกินเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะใกล้จะอิ่มแล้วบอกจ่ายเป็นพระเวสสันดรหมดเลยนะเออเอานี้ไปให้คนนั้นเอานั้นไปให้คนนี้แบ่งไปให้คนนั้นนะนีหนายได้มันอิ่มแนะล้วหรอกฉั น, นชิวหาเนี่ยนะเป็นเป็นร้อนร้อนจริงๆยมก็บอกว่าเฮ้ยตันหา ย, ย่างอื่นๆเนี่ยก็ลดไปยอดเนี่ยนะเหลือแต่ทวารลิ้นอย่างเดียวเท่านั้นยมนั่งอยู่แถวนี้แหละเออเชื่อเดี๋ยวเสียเกีลติหมดนะกลายเป็นของร้อนนะโพธะพระเป็นของร้อน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 โ Beni, พธาภะที่อยู่ในภายในก็ตามโพธาะจากภายนอกก็ตามก็เป็นของร้อนกายวิญญาณด้วยก็ยิ่งร้อนเลยนะถ้าสุขกายวิญญาณเกิดขึ้นก็โลภะก็เผาทุกขกายวิญญาณเกิดขึ้นโทสะก็เผาพันกร้อนกายสุขกายวิญญาณก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทุกขกายวิญญาณก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะ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 มากเนี่ยนะบางคนเนี่ยร่างกายอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าจิตใจนี่สิป่วยตรงอปวดหัวนิดหนึ่งอุ้ยใจเนี่ยตายแนย่งานนี้อย่างเงี้ยนะบางทีก็ก็ใจเนี่ยป่วยเกินกว่าสภาพที่เป็นจริงของร่างกายเพราะไปให้ค่ามันเกินไปถูกเวทนาทางร่างกายเลยครอบงําอย่างบางคนเนี่ยเจอความสุขดนิ ด, นดหน่อ ย, อยอเจอความสุขทางร่างกายครอบงํา จิตใจก็ท่วมทนล้นไปด้วยตัณหาพอเจอความทุกข์ทางกายเข้าไปอีกนิดหน่อ ย, ท, ท, ยมมท่วมทนไปด้วยโทมนัตท่วมทนไปด้วยโทสะถ้าใครไม่พิจารณาเนี่ยนะราคะก็เกิดขึ้นโทสะก็เกิดขึ้นไฟเหล่านี้ก็เผาเนะแล้วตัวกายเนี่ยนะถ้าโทสะมันเกิดมากๆโลภะเกิดมากๆร่างกายก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีขึ้นอะไร ร่างกายก็ชราและมรณะโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็เบียดเบียนร่างกายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งแห่งที่ตั้งแห่งความกลัวสารพัดกลัวกลัวถูกฆ่ากลัวไม่มีที่อยู่กลัวไม่มีอาหารกลัวสารพัดกลัวกลัวกลัวกลัวก็เพราะหวงกายเพราะรักกายนี่แหละกลัวเหลือเกินหวั่นกลัวกลัวสารพัดที่จะกลัวจนได้เนี่ยนะเก็บเรื่องไม่ควรกลัวมามากลัวก็เพราะหวงแหนทนุถนอมรัก เอ็นดูอะไรอวร์ในร่างกายเหล่านี้นี่แหละถึงจะดูแลดีขนาดไหนนะก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ขึ้นใช่ไหมดูแลบํารุงมากขึ้นอย่างของเข้าของทั่วทั่วไปในยิ่งบํารุงก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมแต่นี่ยิ่งบํารุงยิ่งดูแลมากก็ไม่ได้แปลว่าจะดีขึ้นอะไรยิ่งดูแลผมก็ขาวหมดเลยนะเดูจนขาวอย่างเงี้ยห่าฟันนี่ก็ดูจนร่วงหมดเลยอย่างงี้ยผิวก็ดูยิ่งดูยิ่งย่งยอนอย่างเงี้ย มันก็เลยลําบากมากๆมันมันไม่ได้มีคุณเลยนะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าอาศรมพิษเป็นสิ่งที่ไม่รู้คุณเขบอกว่างูเห่านี่นะอย่าไปคิดว่าเลี้ยงแล้วมันจะเชื่องนะมันหิวมันกัดตายนะชั้นใดก็ดีกายนี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่เนรคุณเหมือนกันเนรคุณเจ้าของเนี่ยอย่างคองเอ้ามานะให้ยาให้แล้วให้อีกให้อาหารให้สารพัดนะมันก็ยังกัดอยู่นั่นแหละ มันพูดไปถ่มน้ำลายไปเนี่ยนะเพราะมันมันมันไม่ยอมมาอาโปทาตุกำเริบบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคิดอะไรมาเดี๋ยวก็ตายแล้วโยมเห็นไหมมันพวกนี้เป็นของร้อนทั้งนั้นแหละร้อนเพราะไฟคือราคะเผาบ้างร้อนเพราะไฟคือโทสะเผาบ้างร้อนเพราะไฟคือโมหะเผาบ้างถ้าไม่พิจารณานะถ้าไม่พิจารณาเนี่ยใจเราต้องไปเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเราเราต้องไปลำบากใจกับ กับแผลสดที่รักษาไม่หายอยู่นั่นแหละจึงนั่งกับป่วยไม่ออะไรนะพอคอเริ่มเป็นเลยนะเข้าใจคําว่ากายนี่คือแผลสดมากขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจหรอกพุทธพจน์บอกกายนี่คือแผลสดปั้งยังไงก็ไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงแล้วพอเนี่ยมาเป็นอคอมันอักเสบมันานานเข้าเข้าใจเลยโอ้แผลสดมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วทุกแห่งในร่างกายตรงไหนบ้างที่จะเป็นแผลไม่ได้มีไหม ทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งแผลหมดเลยทีนี้แผลทางกายและแผลทางจิตใจพันทุกทางกายนิดหนึ่งใจก็บาปตามมาทุกทางร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนโดยมากก็ไหลมาซึ่งบาปและอกุศลบางคนถ้าแผลเหล่านี้ถ้าถ้าไปโทษว่าผู้อื่นทําให้เข้าหนักกว่านี้อีกใช่ไหมสมมติว่าแผลนี้นิดหน่อยๆเจ็บนิดนหน่อยๆถ้าไปโยนว่าเพราะคนนั้นแท้ๆเพราะผู้นั้นแท้ๆก็เลยผูกเวรผูกพยาบาทถูกอาฆาตเนี่ยนะ ก็เป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลอีกเยอะแยะไปหมดเลยส่วนตัวที่ร้อนอย่างแท้จริงก็คือตัวใจนี่แหละตัวใจนี่แหล ะ, หละเป็นของร้อนนั้นใจนี่ควรกําหนดรู้ด้วยตรีรณะนะปริญญาธรรมอารมณ์คือเจตสิกที่เกิดร่วมกับใจหรืออารมณ์ทั่วๆไป ท, ที่เหลือจากที่กล่าวมาแล้วก็ควรกําหนดรู้ด้วยตรีรณะนะปริญญามโนวิญญาณตัวความคิดนี่แหละตัวความตรึก ยิ่งคิดอะไรก็ตามเถอะตัวความคิดกี่ความคิดก็ตามเถอะความคิดเหล่านี้ควรทําตีระนะปริญญานะควรทําตีระนะปริญญาควรเอามาใคร่ครวญใคร่ครวญโดยเหตุโดยปัจจัยโดยเหตุเกิดความดับเนี่ยนะว่าปัจจัยที่ทําให้ความคิดเหล่านั้นเกิดมีกี่อย่างทําไมต้องคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแล้วดียังไงคิดอย่างนั้นแล้วเสียหายยังไงคิดอย่างนั้นแล้วใกล้นี้ผ่านขึ้นไหมคิดอย่างนี้ใกล้ต่อความพ้นทุกข์ไหม เอาความคิดแต่ละความคิดมาทําปริญญามาเจริญจเจริญอะไรจะเจริญจิตตานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะเจริญโดยถ้าคนที่กําหนดรู้จิตมากๆจะเห็นอะไรอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจิตนามรูปเนี่ยนะนามรูปเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิญญาณมันถ้าใครที่กําหนดจิตกําหนดวิญญาณมากก็จะเห็นนามรูปถ้าเห็นนามรูปมากขึ้นจะเห็น สลายตนะถ้ารู้จักสลายยตนะก็จะเห็นภัสสะเห็นเวทนาเป็นต้นในทวารทั้งหกนั้นมโนคือภวังหรืออวัชชนะนี่เป็นสิ่งที่ควรกำหนดควรพิจารณาควรเข้าไปรอบรู้จริงๆมโนอธรรมารมณ์เรื่องราวที่เราคิดถึงหรือเจตสิกที่เกิดร่วมกับความคิดมโนวิญญาณคือตัวความคิดหรือมโนสัมผัสความคิดแต่ละเรื่องแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยทุกๆความคิดควรเอามา มาพิจารณาควรเอามาทำปริญญาเนี่ยนะคือคือมากาหนดมาวิเคราะห์จับแยกนะมาแยกแยกนะว่ามันคืออะไรทำไมมันมาจากไหนอะไรทั้งหลายแหล่เป็นต้นแต่ว่าตัวตัวที่ร้อนมากๆก็คือตัวความคิดเนี่ยนะความคิดนี่เป็นของร้อนจริงๆบางเรื่องนะถ้าเราไม่คิดไม่ร้อนหรอกอ น, นะะหลายๆเรื่องถ้าไม่คิดถึงนะเราจะเจ็บปวดไหม จะลำบากใจไหมจะเดือดร้อนไหมบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากความคิดนะกว่าจะรู้ตัวอีกทีโอ้ยมาเพราะอํานาจของตัวจิตแท้ๆเนี่ยนะเนี่ยเพราะเราเชื่อจิตนะจึงมาเกิดในภพนี้กันถ้าเรายังเชื่อจิตต่อไปนะจิตจะพาไปตกนรกก็มีจิตบางดวงนี่พาไปเกิดในเปรตก็มีจิตบางอย่างก็พาไปเกิดในเดชะฉานก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อความคิดให้มากานะไม่เชื่อได้ยิ่งดี ถ้าจะเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าพราะพระองค์บอกตามความเป็นจริงบอกเราทั้งหลายถูกจิตนีิลวงมานานแล้วลวงให้ชอบบ้างลวงให้ชังบ้างให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความลุ่มหลงบ้างเราเนี่ยเชื่อตัวความคิดนั้นความคิดพพระองค์ตรัสว่าเหมือนอะไรความคิดนะมโนวิญญาณเหมือนมายากลเหมือนคนเล่นกลแสดงให้เห็นเป็นเป็นอย่างนั้นแสดงให้เห็นเป็นอย่างนี้เหมือนกับเราดูหนังอ่ะนะ มายากล ก, ก็คือจอเงินจอทองจอแก้วจออะไรทั้งหลายแหละมันก็คือจอ่อมันไม่มีอะไรในนั้นจริงๆแล้วค้นหาไปขูดหาทิ่มันได้อะไรไหมถ้าดูหนังเนี่ยขูดหาอะไรจากจอหนังนะะโอ้ยฉายเป็นทองทั้งเต็มจอไปหมดเลยนะไปขูดหาทองจะได้ทองมาไหมไม่ได้เนี่ยนะถ้าจอแก้วเนี่ยนะในทีวีเนี่ยเห็นอุย๊ยเขาถ่ายเงินออกมาทั้งนั้นเราไปขุดเอามาจะได้เงินบ้างไหมไม่ได้ฉันใดสิ่งเหล่านี้วิญญาณทั้งหลายก็เป็นของ หลอกลวงเนี่ยนะเขาจริงเรียกว่าผีหลอกวิญญาณหลอกเนี่ยเขามาว่าพูดถูกแล้วนะกล่าวโดยประมัตต์บอกโ้ยถูกวิญญาณหลอกมาเนี่ยนะเขามาเชื่อและใช่ใช่ถูกแล้วสมัยก่อนปฏิเสธวิญญาณที่ไหนจะมาหลอกมาหลอนตอนนี้เชื่อแล้วเออใช่วิญญาณหลอกหลอนจริงๆมันใครไปได้ยินอะไรใครนะนึกในใจว่าผีเอออย่าได้หลอกได้หลอนกันเลยถูกวิญญาณหลอกอีกแล้วคาพูดที่พูดออกมานี่มีจิตเป็นสมุทฐานใช่ไหมมันหลอกให้เราเชื่อก็มีะ หลอกให้เราชังก็มีเสี่ยงที่พูดพูดเนี่ยหลอกให้ชอบหลอกให้ชังหลอกให้หวังเป็นต้นเนี่ยก็ถูกวิญญาณหลอกก็ถูกถูกวิญญาณหลอกถูกผีหลอกเดียวคาพูดนี้จริงๆถ้าพูดแบบปรมาจา์ก็ไม่ได้ผิดอะไระถ้าวิเคราะห์ให้ดีๆนี่ก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยจริงๆหลอกให้หวังอยู่นั่นแหละแล้วก็หลอกให้โกรธอยู่นั่นแหละแต่ที่แน่ๆก็คือหลอกให้โง่เนี่ยทีหลอกได้หลอกดีหลอกทนจริงๆเลยนะ หลอกให้โลภนะยังพอรู้วันหลังโอ้เพราะเราชอบแท้ๆโกโรธก็เหมือนกันเนี่ยโอ๊เพราะโกโรธแท้ๆ แ, แต่โง่นี่ไม่เคยรู้สึกเลยนะเมื่อไรเนาะจะรู้สึกว่าเรานี้มียวิชาเป็นเครื่องกางกั้นเนี่ยนะโง่จนไม่รู้ว่าโง่นี่มันจะหนักหนาขนาดไหนนั่นแหละกว่าจะเห็นอริยสัจนั่นแหละจึงเข้าใจโอ้ใช่ใช่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่รู้จริงๆเลยนะมันเคล้าจริงๆอนอาวิชาจึงพาล่องไปในวัตฏะ พาไปที่หนึ่งจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งไปเรื่อยนั้นทำที่ควรทำปริญญาควรเข้าไปกำหนดรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นกระทั่งขันห้าก็าเหมือนกันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ควรกำหนดรู้แบบที่เราสวดธรรมะเช้าอยู่แล้วทีนี้ก็กล่าวปีรูปสาตูปตามอริยสัจเนี่ยนะตามอริยสัจเลยนะปีรูปสาตูปคืออะไรอะไรบ้างที่ควรกาหนดรู้ล่ะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ควรกําหนดรู้เพราะเพราะสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่รักเป็นสิ่งที่เรารักมากเราพอใจมากอะไรจะเป็นที่รักเอ่อเป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเท่ากับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีอีกแล้วทําไมรู้ไหมบางคนเนี้ยเสียเงินไม่ใช่น้อยเพราะรักษาตาไว้ใช่ไหมเสียเงินใหญ่ามากเพื่อรักษาหูเพื่อรักษาจมูกเพื่อรักษาลิ้น เพื่อรักษาร่างกายบางคนก็ไม่ใช่น้อยเพื่อรักษารักษาใจใช่ไหมสำเร็จไหมไม่สำเร็จ <c oughs> ในที่สุดก็นั่นแหละพัเบเพลิงอ่ะช่วยสำเร็จ <c oughs> เผาอย่างเดียวนะพั <c oughs> เบเพลิงทำสำเร็จหมดนั้นตาหูจมูกเล่นกายใจนั้นไม่มีใครรักษาแล้วประสบความสำเร็จถึงขนาดนั้นก็ยังยังแอบหวังเนะ๊ะ แอ บ, บหวังว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะดีน่าจะมั่นคงน่าจะเที่ยงน่าจะสุ k น่าจะยั่งยืนเราต้องดูแลเขาได้ควบคุมได้จริงไหมไม่จริงนะแล้วทําไมไม่ตามเห็นว่ามันดูแลไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นโรคมันเป็นสีมันเป็นลรคซ้อนมันเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อฟังบอกโยมเมื่อคืนบอกโยมเนี่ยนะกายของโยมแต่โยมไม่มีอํานาจ <c oughs> บอกเออกายเนี่ยครับใครป่วยนะ ของคุณน่ะแต่ว่าคุณไม่มีอำนาจอะไรเอาสิานะบังคับให้เราดูแลให้เราโดยที่เราไม่ยอมมีอำนาจแล้วมันก็หาเรื่องอยู่นั่นแหละกายของเราก็เหมือนกันนะตอนที่มันเจ็บมันป่วยเนี่ยนะเราก็บอกเออเราก็ยึดว่ามันเป็นของเราอะ่ะแต่เราไม่มีอำนาจกับมันแม้แต่นิดเดียวไม่มีอำนาจอะไรเลยอย่าเลยอย่าปวดเลยพอเธอเนไนะพอแล้วอย่าปวดนะขอร้องเชื่อไหมคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะอา้าวก็ของเราไม่ใช่หรือ ของเราอะไรมันจะนามาซึ่งความทุกข์ขนาดนี้เนี่ยนะนพระพุองค์จึงบอกตรงๆอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราเอ้าวแล้วมันของใครอะ่ะมันของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาหรือไม่ใช่อัตตาซึ่งไม่มีผู้ใดไปมีอำนาจในตาหูจมูกเล่นกายใจอะไร <c oughs> ยิ่งใครปราถนาขอมีอำนาจในสีนี่เป็นไปได้ไหมสีมันมีสีสมุทฐานอย่างเช่นสีหน้ามีสีสมุทฐาน มันก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่จิตแล้วแต่อุตุแล้วแต่อาหารขอให้สีหน้าแววตาเหมือนเดิมตลอดไปทำได้ไั้ยไม่ได้เพราะอะไรถ้าถ้าสีถ้าตอนที่มีโลภะจิตเป็นสมุทฐานก็อีกอย่างหนึ่งสีหน้าตอนที่มีโทสะเป็นสมุทฐานก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่มีทีหน้าเป็นสมุทฐานก็อีกอย่างหนึ่งสีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะสีหน้าตอนทีหน้ามันครอบงาไปนยังไงตามันหนักขึ้นหนักขึ้น เนียวันสีที่มีอาหารเป็นสมุทฐานน่ะเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมเป็นต้นใช่ไหมสีที่มีกรรมเป็นสมุทฐานน่ะก็สุดแท้แต่กรรมเก่าจะจะเป็นปัจจัยมาอย่างไรใช่ไหมเพราะกรรมบางอย่างก็นำเกิดและแต่กรรมมาเบียดเบียนหรือกรรมมาอุปธรรมทีนี้สีที่มีอุตุเป็นอาหารเป็นสมุทฐานเนี่ยนะทีนี้สีมีตั้งเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตตุและอาหารเหตุใกล้ของสีคือมหาพูด แล้วเราปรารถนาให้สีเป็นอย่างที่เราต้องการมันทำได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสีที่ทเปลี่ยนไปแต่ก็บอกว่าคาว่ารูปเนี่ยรูปเปลี่ยนไปยังใจให้เปลี่ยนแปลงเว่างั้นสีที่เปลี่ยนไปยังใจให้เปลี่ยนแปลงเจอเพื่อนเก่าแล้วทำเป็นทาเป็นไม่รู้จักเราเนี่ยนะใจเราปกติไหมใจเราก็ปิดประลาศเสียงก็เหมือนกันนะเสียงมีสมุดฐานสองใช่ไหมเสียงมีอะไรเป็นสมุดฐาน จิตกับอุตุแล้วจิตเนี่ยมันก็มีราคาจิตบ้างโทสะจิตบ้างโมหะจิตบั้งจิตปราศจากราคาโทสะโมหะแล้วปรารถนาให้เสียงมันคงทนตามเดิมตามที่เราต้องการมันจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้เราก็คุยกับคนป่วยใช่ไหมตอนเขาไม่ป่วยเขาก็เสียงดีตอนเขาป่วยแล้วเสียงเขาดีไหมก็ไม่ดีจิตก็เหมือนการที่เป็นสมุทฐานให้เกิดน้ําเสียงไหลออกมาทวารปากนี่นะ ก็สุดแท้แต่ว่าตอนโกรธเสียงก็อีกอย่างหนึ่งตอนโลภเสียงก็อีกอย่างหนึ่งตอนหลงเสียงก็อีกอย่างหนึ่งตอนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเสียงก็เกิดแต่ละอย่างเสียงตอนมีศรัทธาก็อย่างหนึ่งเสียงตอนมีความเพียรก็อย่างหนึ่งเสียงตอนมีสติมีปัญญาก็คนละอย่างคนละอย่างไป